ตอนแม่คลอดน้องคนเล็กผมเพิ่งอายุ1ิบขวบได้ไม่กี่วันจาได้ว่าป้ายแยมแม่ช่างประจำหมู่บ้านเป็นผู้ทาคลอดน้องบ้านของเราอยู่ห่างจากตัวจังหวัดมากเด็กๆที่นี่คลอดด้วยฝีมือของป้ายแยมทั้งนั้นก็ไม่เห็นมีใครไปคลอดที่โรงพยาบาลแบบทุกวันนี้คนล้านนาเขาเรียกหมอตาแยกันว่าแม่ช่าง บ้านของเราเป็นเรือนสองหลังติดกันอย่างที่เรียกกันว่าเรือนแฝดห้องที่คุณแม่คลอดเป็นเรือนหลังเล็กที่อยู่ทางฟาาตะวันตกของหมู่บ้านคนละด้านกับเรือนหลวงที่เป็นห้องนอนพ่อกับผมกั้นกลางด้วยชานบ้านกว้างมีลิ้นหรือรางน้ำตรงกลางที่เรือนสองหลังมาต่อกันพื้นเรือนที่อยู่ด้านหน้าสุดเป็นชานเล็กๆไม่มีหลังคาถัดไปทางขวาคือร้านน้าเป็นมุมเล็กๆยกขึ้นเป็นชั้น มีหม้อใส่น้ําดื่มทําด้วยดินเผาใหญ่สองใบแบบบ้านเมืองเหนือทั่วไปร้านน้านี้อยู่ติดกับบันไดเรือนพอน้องเกิดได้สามวันพ่อผูกเปลให้น้องโดยใช้เชือกเส้นยาวห้อยลงมาจากขื่อบ้านเปลเล็กๆนี้ทําด้วยไม้ไผ่สารพ่อวานลุงปั่นข้างบ้านสารเตรียมไว้ตั้งแต่ก่อนน้องเกิดผมถามพ่อว่าทำไมไม่สารเอง เพราะผมเคยเห็นพ่อผมสารกระบุงตะกร้าไว้ใช้ในบ้านเราเวลาว่างจากงานนาพ่อไม่เคยทำอู่นอนพ่อบอกพ่อดูตัวอย่างเขาก็ได้นี่นาผมรู้สึกว่าการสารเปลเล็กๆอย่างที่พ่อกำลังผูกอยู่นั้นง่ายกว่าการสารตะกร้าหรือสุ่มไก่ที่เคยเห็นพ่อทำอู่ที่ลรอ่อนจะนอนหลับสบายนั้นต้องคนทำเป็นพ่อวางมือจากการผูกอู่ให้น้องหันมาอธิบาย ต้องนับตาอู่ให้ดีถ้าตกตามึนน้องจะนอนไม่หลับพ่อบอกว่าคนสารเพลเขาจะเริ่มนับตาตั้งแต่กลางก้นเพลว่าตาหลับตามึนสลับกันไปเมื่อสารเสร็จขอบเพลจะต้องไม่ตรงกับคําว่าตามึนซึ่งหมายถึงลืมตาจะทําให้เด็กนอนไม่ค่อยหลับต้องสารต่อให้ได้เฉลกกับเด็กโดยให้ตรงกับคําว่าตาหลับน้องจะได้หลับดีไม่กวนแม่ หลังจากน้องเกิดแล้วเป็นช่วงที่แม่พักฟื้นหลังคลอดผมได้ยินผู้ใหญ่เขาพูดว่าอยู่เดือนตอนที่แม่อยู่เดือนนอกจากจะมีญาติของเรามาเยี่ยมกันหลายคนแล้วยังมีคนในหมู่บ้านที่คุ้นเคยกันแวะมาดูน้องผมจำได้ว่าห้องที่แม่กับน้องเกิดใหม่อยู่นั้นมีร่างแหที่คนบ้านเราเรียกว่าจำ้ำขึงเป็นเพดานด้านบนล้อมด้วยสายสินติดผ้ายันตรงประตูห้องมีไม้ไผ่สารเป็นแฉก ร้อยด้วยต้นคาสดติดไว้ด้วยไม้ไผ่สารเล็กๆนี้ผมเคยขอให้พ่อหยิบลงมาให้เล่นพ่อบอกว่าไม่ใช่ของเล่นแต่เขาเรียกว่าตาแหลวไม่เห็นเหมือนตาแหลวพ่อติดไว้ทำไมอะตอนนั้นผมยังไม่รู้ว่าไม้ไผ่สารที่คล้ายของเล่นก็คือสิ่งเดียวกับที่ภาคกลางเขาเรียกว่าเชลวแต่ไปนึกถึงตาแหลวของนกเหยี่ยวที่เคยเห็นร่อนอยู่ในทุ่งนาตาแหลวก็ติดไว้มีกันผีมากวนแม่กับน้องไงพ่อพูด ผมฟังแล้วก็ยังไม่เข้าใจว่าไม้ไผ่สารรูปร่างคล้ายดาวเป็นแฉกนั้นมันกันผีได้อย่างไรกันผมมารู้ก็เมื่อตอนโตเป็นผู้ใหญ่แล้วว่าคนตามชนบททางเหนืออย่างบ้านผมนี่เชื่อถือเรื่องโชคลางกันอยู่มากก่อนแม่คลอดน้องหลายวันผมเองก็เห็นพ่อตัดไม้ไผ่มาล้อมใต้ถุนห้องที่แม่อยู่เดือนแล้วก็สาดด้วยน้ำเล็บแมวพ่อบอกว่าผีกะมันจะได้ไม่มาทำอันตราย ผีกะนี่เป็นคำที่คนเหนือเรียกผีปอบเขาเชื่อกันว่ามันชอบกินของโสกรปรกของคนหลังคลอดแล้วก็เด็กเกิดใหม่ๆตอนผมเล็กๆผมนอนกับอุ๋ยชอบให้อุ๋ยเล่านิทานให้ฟังก่อนนอนจำได้ว่ามีเรื่องผีกะซึ่งเป็นเรื่องที่ผมชอบฟังมากรู้สึกว่าสนุกแล้วก็ไม่เห็นหน้ากลัวสักนิดอุ้ยเล่าว่าผีกะที่มีอายุแก่กล้าจะแปลงตัวเป็นม้าเขาเรียกกันว่าผีมาบ้อง จะมาวิ่งเสียดสีใต้ถุนห้องที่มีคนออกลูกท่าะด้วยหนามเล็บแมวผีกะจะไม่กล้าเข้ามาใกล้อุ้ยบอกว่าผีกะตกทอดกันโดยตระกูลทางฝ่ายหญิงส่วนถ้าผู้ชายแต่งงานกับผู้หญิงที่เป็นผีกะก็ได้ชื่อว่าเป็นสายตระกูลเดียวกันผมเคยถามอุ้ยว่าคนที่เป็นผีกะแล้วจะตายหรือไม่อุ้ยตอบว่ากลางคืนผีกะออกหากินถ้าเข้าร่างไม่ได้ก็ต้องตายบางทีกินของสกรปรกและไปเช็ดปากไว้ที่ผ่ออ้อมเด็ก ถ้าเขาเอาพระอ้อมผืนนั้นไปต้มหรือทำพิธีทางศิยาศาสตร์ผีกะก็ตายอุ้ยของผมตายเมื่อปีที่แล้วนี่เองผมจึงไม่ได้ฟังเรื่องสนุกแบบนี้อีกเลยบ่ายวันหนึ่งนนวนสาวใหญ่ที่อยู่บ้านหลังเล็กท้ายหมู่บ้านมาเยี่ยมแม่นันวนคนนี้ปลูกบ้านอยู่คนเดียวห่างจากบ้านหลังอื่นๆเด็กๆอย่างพวกเรามักถูกพ่อแม่ห้ามไม่ให้ไปเล่นใกล้บ้านแกแม่บพัฒหลับอยู่วันหลังคยมาใหม่เตะ๊ะเสียงพ่อพูดกับนนวน ผมสังเกตดูพ่อไม่ค่อยเต็มใจให้นันวลขึ้นบ้านผิดกับเวลาคนอื่นๆมาอยากมาดูหลานนันวลว่าเขาเพิ่งหลับไม่อยากปลุกพ่อทำท่าแข็งขันนันวลคงเห็นว่าพ่อไม่ให้เข้าไปปลูกแม่แน่นอนจึงกลับไปด้วยท่าทางไม่ค่อยพอใจนักนันวลลับตาไปผมถามพ่อว่าป่อไอ้อย่างป่อไปจุนันวลจะอัน้น พ่อคิดอะไรอยู่นานและไม่ตอบคําถามแต่กลับสั่งผมว่าพัดถ้าเยนวลมาเมื่อไหร่ต้องบอกให้พ่อรู้ก่อนอย่าให้เข้าไปเยี่ยมแม่เด็ดขาดนะผมไม่เข้าใจที่พ่อพูดแนนวนถึงแกจะแปลกๆยังไงก็ไม่เห็นว่าจะถึงกับไม่ให้มาเยี่ยมแม่ได้ผมก็ยิ่งสงสัยหนักขึ้นตอนพ่อเอาไม้กวาดไปกวาดเบาๆตรงร้านน้ำหน้าบ้านที่นนว น, นั่งเมื่อครู่ปากก็พูดว่าไปปไ ป, ไปสองสามหน พอคำ่ำป้าแย้มแม่ช่างมาดูน้องพ่อเลยชวนป้าแย้มกินข้าวที่บ้านเราระหว่างป้าแย้มกินข้าวพ่อตักยาดองจากโหลให้ดื่มหลายแก้วจนเสียงคุยของป้าแย้มกับพ่อชักจะดังขึ้นยาดองนี้พ่อเอาเปลือกไม้อะไรหลายอย่างใส่ไว้ในขวดโหลปากกว้างแล้วเทเหล้าโรงลงไปดองไว้หลายวันพ่อบอกว่าเป็นยาแก้เมื่อยแก้ขบผมเคยแอบดมดูโอ้โหกลิ่นฉุนเหมือนยาทาท้องน้องยังไงอยังงั้นเลยไม่รู้ว่าพวกผู้ใหญ่เนี่ชอบกินเข้าไปได้ยังไงกัน พ่อผมกินวันละแก้วสองแก้วเป็นประจำพอป้ายแยมจะกลับผมเดินตามลงบันไดามาด้วยกะว่ารับสายตาพ่อแล้วผมจะแอบกระซิบถามป้ายแยมเรื่องแปลกๆที่พ่อพูดถึงนนวลเมื่อตอนกลางวันอินวนมันเป็นผีกะป้ายแยมบอกฮะผีกะแต่นนนวลไม่เห็นเป็นแมวดำเลยนี่ครับผมนึกถึงเรื่องผีกะที่อุ้ยเคยเล่าป้ายแยมเอียงหน้ามากระซิบหูข้างหนึ่งจนได้กลิ่นเหล้า แม่อีนวลก็เป็นผีมันทับมรดกกันมาป้าแย้มหมายถึงป้าใจคําว่าเก้าผีแปลว่าตัวต้นตอทำไมป้าแย้มถึงบอกว่าป้าใจเป็นผีกะแนะนวลก็ไม่เห็นเหมือนผีนี่ครับป้าใจแม่แนนวลเพิ่งตายไปไม่กี่เดือนนี่เองผมลดเสียงลงกลัวพ่อได้ยินว่ากำลังซักอะไรป้าแย้มพ่อไม่ชอบให้เด็กๆพูดถึงเรื่องนี้อีใจถูกเขาเอาถึงตายป้าแย้มเล่าผมยิ่งงงหนักเข้าไปใหญ่ ก็เขารู้กันทั้งนั้นว่าตอนอุ้ยใจตายแกนอนหลับไปเฉยๆไปแย้มเห็นผมทำหน้าสงสัยก็เลยดึงผมเข้าไปข้างเสาใต้ถุนเรือนแล้วกระซิบว่าไม่ต้องถามมากคอยดูอินวนไว้ถ้ามันมาอีกแล้วก็บอกพ่อเองไปแยมหน้าแดงก่ำเพราะว่าฤทธิ์ของยาดองของพ่อ พอป้าแย้มกลับผมก็ขึ้นไปช่วยพ่อเก็บถ้วยชามไม่ได้บอกว่าผมเข้าใจแล้วว่าทําไมพ่อไม่ยอมให้นานวนเข้าไปเยี่ยมแม่ที่ยังสงสัยอยู่ก็คือทําไมพ่อไม่บอกกับผมตรงๆเหมือนกับที่ป้าแย้มบอกก่อนเข้านอนพ่อกับผมไปดูน้องในอู่นอนหลับตาเหมือนตุ๊กตาเป็นครั้งแรกที่ผมได้เห็นเด็กเกิดใหม่ๆคืนนั้นผมนอนคิดถึงเรื่องที่ป้าแย้มเล่าอยู่จนดึกผมจําได้ว่านานวนมาอีกสองหนแต่ก็ไม่ได้เยี่ยม เพราะว่าพ่อมีข้ออ้างทุกครั้งครั้งหลังนนนวนมาพบป้ายแยมอยู่ที่บ้านเราพอดีแปลกที่พอเห็นป้ายแยมนันนวนหันหลังกลับไปเฉยๆสัก3ามสี่วันต่อมามีเรื่องแปลกเกิดขึ้นที่บ้านเราน้องเกิดใหม่ของผมร้องตอนกลางคืนแทบทุกคืนบางคืนร้องติดต่อกันานานๆจนพ่อกับผมที่นอนอยู่อีกฟากหนึ่งต้องลุกขึ้นมาดูอาสายน้องสาวของพ่อที่นอนเฝ้าแม่บ่นกับพ่อว่าน้องไม่กินนม น้องนอนสะดุ้งแล้วก็ร้องไห้ไม่หยุดตอนเช้าพ่อตื่นตั้งแต่เช้าเอาหม้อไห่เนึ่งข้าวซ้อนกันพ่อเอาหมากหนึ่งคำพลูหนึ่งใบกับได้ขดหนึ่งวางไว้ข้างหมอ้อไห่เนื่อข้าวแล้วก็พูดดังๆขอปู่ย่าดำช่วยรักษาลูกของข้าช่วยดูแลอย่าให้สิ่งใดๆมาหลอกมาหลอนให้ลูกข้าจุงอยู่ดีเต๋อผมนั่งมองพ่อทำพิธีจนเสร็จพ่ออธิบายว่าพ่อพลีปู่ดำย่าดำให้ช่วยดูแลรักษาน้อง เด็กที่ร้องอย่างผิดปกติแบบนี้คนแก่เขาว่าผีมันมากวนผมสงสัยว่าปู่ดําเป็นใครจึงดูแลน้องได้พ่อตอบว่าคนเราที่เกิดมาใหม่ๆจะมีปู่ดําย่าดํารักษาอยู่ทุกคนเมื่อโตขึ้นผมจึงเข้าใจว่าปู่ดําย่าดําที่พ่อบอกเป็นความเชื่อของเราเชาวเหนือเห็นจะตรงกับที่ภาคกลางเรียกว่าพ่อซื้อแม่ซื้อนั่นเองหลังจากพ่อพลีปู่ดําย่าดําแล้วน้องก็ยังคงนอนสะดุง้งร้องไห้โยเยอยู่อย่างเดิม ผมได้ยินแม่คุยกับพ่อว่าน้องคงไม่สบายต้องพาไปโรงพยาบาลที่ตัวจังหวัดพ่อว่าวันพรุ่งนี้จะจ้างรถที่หมู่บ้านของเราไปกันตั้งแต่เช้าคืนนั้นพ่อเข้าไปนอนเป็นเพื่อนแม่ในห้องเพราะว่าอาศัยกลับไปทําธุระที่บ้านซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านของเราไปอีกหมู่บ้านหนึ่งแล้วก็เลยค้างอยู่ที่นั่นผมนอนไม่หลับเร่งให้ถึงเช้าเร็ ว, รวตื่นเต้นที่จะได้เข้าไปในตัวจังหวัด พ่อกับแม่พาน้องไปหาหมอเสร็จแล้วคงมีเวลาพาผมไปกินไอศกรีมที่หน้าโรงหนังกลับไปซื้อของเล่นให้ผมอย่างที่เคยทำเวลาที่พ่อพาไปเที่ยวในจังหวัดผมนอนพลิกไปพลิกมาจนดึกก็นึกแปลกใจที่คืนนี้ไม่มีเสียงน้องร้องไห้เหมือนทุกคืนเสียงพ่อกับแม่เงียบไปพักใหญ่ผมคิดว่าจะออกไปขอนอนในห้องด้วยอีกคนก็เลยลุกออกไปจากห้องเดินผ่านชานบ้านไปห้องที่แม่กับพ่อนอน พอไปถึงหน้าห้องผมผลักประตูเข้าไปข้างในแต่ประตูใส่กรอนผมแอบมองตามรอยแตกของไม้กระดานเข้าไปในห้องเห็นแม่นอนหลับอยู่บนแคร่มไม้ข้างๆกับแม่ชีไฟซึ่งเป็นไม้กระดาน4ี่แผ่นประกบกันเป็นสี่เหลี่ยมใส่ดินไว้ม่อน้้ำร้อนบนแม่ชีไฟยังเดือดควันขโมงแม่ชีไฟนี้ผมเห็นอาศัยจุดไว้ตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนพ่อหลับอยู่บนเสื่อตรงพื้นข้างๆที่แม่นอนด้านที่ติดกับฝาบ้าน ผมยืนคิดอยู่ครู่หนึ่งว่าจะเรียกให้พ่อมาเปิดประตูดีหรือไม่แล้วก็ต้องเปลี่ยนใจตอนก่อนเข้านอนพ่อบอกวันว่าอย่ารบกวนพ่อกับแม่เพราะว่าวันรุ่งขึ้นต้องตื่นกันแต่เช้าพ่อผมหันหลังกลับจะไปที่เรือนหลวงผมสังเกตเห็นตะแลวที่ติดไว้กับแย้าคาสดตรงประตูห้องหลุดลงมาตกอยู่ที่พื้นเรือนเมื่อมองดูก็เห็นว่าสายสินที่พ่อขึงไวร้รอบรอบห้องนอนขาดตรงประตูห้องนอนด้านขวา ปลายสายสินข้างนึงห้อยลงมาข้างๆประตูส่วนอีกข้างหนึ่งยังคงติดอยู่กับขอบประตูด้านบนพ่อหรืออาศายัยคงทําสายสีขาดตอนเปิดปิดประตูเมื่อตอนหัวค่าเมื่อตอนเย็นผมยังเห็นตาแหลวติดอยู่บนประตูผมก้มลงหยิบตาแหลวพร้อมกับปลายสายสีขึ้นมาไว้ในมือเป็นครั้งแรกที่ได้พิเคราะห์ดูตาแหลวใกล้ๆดูแล้วก็ยังไม่เข้าใจว่าผู้ใหญ่เขาใช้ตาแหลวกันผีได้อย่างไรเพราะว่าสิ่งที่อยู่ในมือผมนั้น เป็นไม้ไผ่สารเคลืกลายรูปดาวห้าแฉกอันเล็กๆธรรมดาผมเอาสายสินร้อยกับตะแเหลาอย่างที่เห็นพ่อทำตั้งใจจะติดไว้อย่างเดิมแต่ก็ต้องวางไวขง้ข้างๆประตูห้องนอนแม่อย่างเก่าเพราะว่าเอื้อมไม่ถึงขอบประตูพรุ่งนี้คงต้องบอกให้พ่อเป็นคนติดผมหันหลังเดินกลับมาที่ห้องพอเดินผ่านร้านน้ำตรงชานเรือนเห็นหลังคนแวบๆลงบันไดไปผมรีบวิ่งตามไปดู คนคนนั้นกำลังเดินผ่านลานบ้านเฉียดใต้ห้องนอนของแม่ไปทางบ่อน้ำหลังบ้านแสงไฟจากไม่ชีไฟที่ลอดลงมาถึงข้างล่างแม้เพียงสลัวๆผมก็จำได้ชัดว่านั่นเป็นนันนวลแปลกที่ไอ้ดาหมาบ้านเราไม่เห็นเห่าเหมือนที่เคยผมมองไปเห็นมันนอนกระดิกหางอยู่ตรงเล้าไก่ใต้ถุนเรือนพอมองกลับไปอีกทีไม่เห็นนนนวลซะแล้วผมตาฝาดไปเองหรือว่านนนวนเป็นผีกะอย่างที่ไปแยมว่าจึงหายตัวไดเร็วนัก ผมเดินกลับเข้าห้องนอนห่มผ้าสักพักก็หลับไปผมคงจะหลับไปนานรู้ตัวอีกทีก็สายมากแล้วแปลกใจที่ทำไมพ่อไม่มาปลุกผมก็เรานัดกันไว้ว่าจะไปตัวจังหวัดตั้งแต่เช้าเสียงลุงป๋งคนข้างบ้านคุยกับพ่อตรงชานบ้านผมรีบลุกจากที่นอนพ่อเปิดประตูออกไปก็เห็นลุงป๋นกับเพื่อนบ้านอีกสองสามคนนั่งอยู่กับพ่อพ่อผมเห็นพ่อลุกขึ้นเดินมาหาเอามืออบไหลผมและพูดเบาๆด้วยสีหน้าเศร้า น้องบอกมีแล้วล่ะลูกผมตกใจพ่อจูงมือให้ผมเดินตามเข้าไปในห้องนอนแม่น้องยังนอนอยู่ในอู่แต่ตอนนี้มีผ้าคลุมมิดชิดแม่นั่งน้ําตาคลออยู่ใกลๆ้ๆแม่ดึงผมไปกอดไว้ที่ตักผมได้ยินเสียงแม่สะอื้นเบาๆผมเพิ่งเข้าใจว่าทําไมเมื่อตอนดึกผมจึงไม่ได้ยินเสียงของน้องร้องอย่างทุกคืนผมถามแม่ว่าน้องเป็นอะไรถึงได้ตายแม่บอกว่าเป็นลมชักตอนใกล้สว่าง พอตอนสายพ่อกับชาวบ้านเอาศพไปฝังที่วัดแล้วก็นิมนต์ตุลุงที่วัดไปทําพิธีให้ผมจําได้ว่าพ่อยกอู่ไปที่ป่าช้าก่อนเอาน้องลงหลุมพ่อกับแม่ร้องไห้บอกกับศพว่าขอให้เกิดมาเป็นลูกกันอีกจากนั้นพ่อก็แกะพ่อห่มผืนเล็กที่ห่อตัวน้องออกเอาดินหม้อป้ายทีก่ก้นห่อผ้าไว้อย่างเดิมแล้วก็ฝังพ่อกลบดินเรียบร้อยพ่อก็เอาอู่น้องคว่ำลงครอบไว้บนหลุมผมแอบถามป้าแย้มตอนขากลับจากวัด ว่าเอาดินหมอ้อป้ายกับก้นน้องทําไมปายแยมบอกว่าจะได้รู้เวลามันมาเกิดใหม่ดินหมอ้อป้ายที่ใดมันเกิดมาจะมีปานที่นั่นปายแยมบอกซึ่งคนเมืองเหนือเขาเรียกดินหมอ้อว่าหมิ่นหมอ้อปายแยมยังแอบมากระซิบกับผมด้วยว่าเด็กเกิดใหม่ๆที่อายุไม่เกิน7วัน15วันผีมันชอบเอาไปอยู่ด้วยคืนนั้นผมนอนกับพ่อเล่าให้พ่อฟังเรื่องที่เห็นนนวนมาบ้านเราตอนดึกพ่อทําหน้าตกใจขบกรามกรอด ห้ามไม่ให้ผมเล่าให้แม่หรือให้ใครฟังพอตอนเช้าผมได้ยินพวกผู้ใหญ่เอะอะกันแต่เช้าไก่ในเล้าเต้ถุนบ้านเราหายไปสองตัวพ่อโกรธมากเพราะเป็นแม่ไก่ที่เราเลี้ยงไว้สี่ห้าตัวเท่านั้นในเล้ามีขนไก่ตกกระจายอยู่แล้วก็มีรอยเลือดหยดเป็นแห่งๆราวกับมีสัตว์ร้ายเข้าไปกัดอาศัยสงสัยว่าไอ้ดำหมาที่บ้านเราเป็นตัวการไอ้ดำมันไม่ทําไก่แน่พี่เลี้ยงมันมานานพ่อยืนยันแข็งแรงที่น่าแปลกคือ ผ้าเข่าม้าที่ตกอยู่บนราวเต้ถุนมีอรอยเลือดติดเป็นวงๆเหมือนกับมีคนใช้เช็ดมือเช็ดปากผมเห็นพ่อกับแม่ซุบซิบกันอยู่ครู่ใหญ่แล้วพ่อก็เดินถือผ้าเข่าม้าไปทางบ้านลุงปันจนถึงตอนสายๆพ่อก็กลับมาบ้านด้วยมือเปล่าท่าทางสบายใจไม่รู้ว่าพ่อไปทำอะไรกับผ้าผืนนั้นพ่อไม่ได้พูดเรื่องไก่ของเราอีกตลอดทั้งวันท่าทางมีแผนอะไรบางอย่างที่ไม่ยอมบอกให้เรารู้ตอนเย็นลุงปันมาหาเราที่บ้าน ผมเห็นพ่อกับลุงปั่นซุบซิบอะไรกันอยู่นานเออวันสองวันนี่แหละผมแอบได้ยินลุงปั่นพูดกับพ่อก็ไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรรุ่งขึ้นอีกวันในตอนบ่ายลุงปั่นกับชาวบ้านอีกหลายคนมาหาพ่อที่บ้านผมได้ยินผู้ใหญ่เขาคุยกันว่าแนนวนตายซะแล้วเมื่อเชา้านี้ไอ้สุนลูกลุงนานเอาควายไปเลี้ยงที่ทุ่งใกล้บ้านแนนวนได้กลิ่นเหม็นออกมาจากบ้านไอ้สุนไปนเรียกก็ไม่มีใครเปิดประตูมันแอบดูข้างฝาห้อง เห็นน้านว น, นอนตายขึ้นอืดราวกับว่าตายมาแล้วเป็นเดือนพวกผู้ใหญ่เขาคุยกันว่าตัวนานวนคงตายไปนานแล้วลแต่ป้าใจแม่นานวนที่ตายไปเมื่อเดือนก่อนมาอาศัยร่างตอนที่เขาคุยกันผมรอบสังเกตเห็นพ่อกับลุงนันศบตากันแวบหนึ่งผมนั่งฟังพวกผู้ใหญ่คุยกันนึกถึงตอนที่เห็น น, นวนมาที่บ้านคืนนั้นแล้วรู้สึกกลัวจนจับขั้วหัวใจ